แล้วันสังขารไม่ให้สังขารมันถูกเบียดเดือนเมื่อเช้าเสียงไม่มีเลยไม่ได้ลงสลางสังขารไม่เที่ยงมันแสดงออกมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะาเราไม่มองเป็นอนัตตาจริงๆมันก็แสดงไปทำบทบาทหน้าที่ของมัน มนมีทุกคนโครคใครเจ็บใครไม่มีโรคไม่มีภยัยไม่มีจะมีมากมีน้อยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นไข้เป็นมากเป็นน้อยสรุปก็คือทุกคนมีโรคแล้วโรคก็อยู่ในตัวเรานั่นอยู่ในไหน ที่สำคัญคือส่วนใดโลกก็เกิดจากเราคนสร้างนีใไขมันเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากสิ่งที่เราเข้าไปทางนั้นเกิดจากกันกินกา น, กนบริโภคที่ไน่คิดชะนานนักบุญเจ้านบอกว่าเน้น ไม่แต่เรื่องกินเรื่องฉันก่อนกินต้อให้พิจรารณาแต่ผู้เรารู้อย่างเดียวว่าหาอะไรที่มันอร่อยที่เข้าปากอะไรที่ไม่อร่อยไม่เอาเข้าเราก็เลือกแต่ที่อร่อยแปลว่ามันถูกปากและถูกใจก็มันเด้กปรียนมันประโยชน์ต่อร่างกายบางทีเปนอันตรายต่อร่างกายด้วยซ้ําไป ถ้ามันมีมากเกินไปเพราะฉะนั้นธรรมะง่ายๆในชีวิตประจำวันพวกเจอทุกวันในชีวิตประจำวันเพราะนั้นลืมตายขึ้นมาให้นึกอยู่เสมอว่าวันนี้เรายังไม่ตายไม่ยังไม่ตายต้องทํำยังไงคิดว่าวันนี้จะตั้งใจทําความดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนความไม่ดีที่เคยทำมาแล้วทุกคนก็มีทุกคนกําผิดพลาดพั้งเผลอมันมีกันทุกคนก็จะสารวมเนาระวังเนี่ยถ้าตั้งไว้อย่างเงี้ยเรียกว่าตั้งใจแต่ถ้าเราไม่เคยตั้งใจเลยในชะีวิตประจำบันไม่เคยเลยปัญเป็นอะไรก่อนนอนก็ยังมีโอกาสถ้าในช่วงระยวลากางวันเราไม่มีโอกาสเนื่องจากการงานหน้าที่อื่น การเคลื่อนไหวไปมาทําให้เราลืมคือลืมสตินลยก็ อ, อ ก, ก่อนนอนก็นอนเสร็ก่อนนอนก็พิจารณานึกถึงคุณของคุณเจ้าประธรรมพระยาสง์คุณพ่อแม่คุณอาจารย์คุณผู้มีพระคุณทั้งหมดเนี่เรียกว่านึกถึงความดีสร้างความดีให้มีในใจเดีต๋ตรงกันข้ามถ้าวันก่อนนอนเรายังนึกถึงของไม่ดี คนนั้นปุ่นไม่ดีกนนี้ทําไม่ดีโกรธอาฆาตเนี่ยก็หลับไปได้วยความอาฆาตความอาฆาตก็อยู่ในใจอย่าเร็วไปสร้างไปสร้างความไม่ดีเรียวว่าเอาพิษเข้าสู่ใจดาวของดีเข้าสู่ใจใจมันก็เต็มปริยาพิษวันละนิดวันละหน่อยวันละครั้งอายุอนามเราเท่าไหร่ ที่เราเอาคิดมากว่าเอาความคิดที่มันไม่ดีมาสู่ใจก็เมือนกับเอาอาหารที่มันไม่ดีเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าอาหารเข้าสู่ร่างกายนั้นพอวางแต่ที่ลิ้นถ้ามันบูดมันเน่าเรารู้เรายังคลายทิ้งเราจะเออออกไม่เข้าไปนั่นเป็นข้าวปาอาหารแต่ใจของเราเนี่ย เราไม่เคยกัณฑกองไม่เคยพิจารณาว่าถ้าของไม่ดีหรือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีเราก็ตามเขาก็ตามไม่จะ็บาไว้ในใจเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นการฝึกสติในชีวิตประจำวันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตั้งใจก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่ตั้งใจไม่มีทางคือใจมันไม่ตั้งไม่ใจมันไม่ตั้งมันก็วันไว ไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันกระทบสุดท้ายสติที่เรามีอยู่แต่มันน้อยสติมันไม่เข้มแข็งมันก็ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้เหมือนเด็กๆเราเลี้ยงเด็กอยู่กับเด็กนี่เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรกไ็วิ่งนไปตามภาษาของเขาเรามีหน้าที่ดูเพื่อไม่ให้เกิด อ, อันตรายนั่นคือสติถ้าเราฝึกสติอยู่อย่างนี้คือระมัดระวังไม่ให้เด็ก สน้นหรือตกบ้านคอยธระมัดรวาวดูในรักษาเพราะเรามีประสบการณ์จิตของเราต้อเหมือนกันถ้าเราไม่สอนถ้าเราไม่อบรมไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันจิตมันได้สุดท้ายเราก็เป็นผู้ตามไม่ได้เป็นผู้นําเป็นผู้ตามต่อยต่อยต่อ ย, อยมันคิดอะไรปรุงอะไรแต่งอะไรไปตามสังขารที่มันแต่งก็คือ คิดแบบโลกเราบอกสังขารโลกคิดแบบธรรมก็สังขารธรรมยังไงก็คือสังขารในการปรุงแต่งแต่เรามาดูว่าชีวิตประจําวันของพวกเราในแต่ละวันนะเราคิดแบบโลกหรือว่าคิดแบบธรรมเราคิดแบบโลกแน่นอนที่สุดโลกแล้วก็บอกยังไงต้องได้คิดแบบโลกคือได้คือทำทุกอย่างแล้วต้องได้ตามาค้าขายต้องกําไร เรียนหนังสือก็ต้องได้หรืออื่นๆนทําเพื่อได้ทําเพื่อเอานี่คือโลกเขาจะอยู่อย่างนี้แต่วิธีคิดเขาก็จะคิดอย่างนี้คิดยังไงที่เพิ่มคิดยังไทงไที่มีกมําไรคิดยังไงที่ลดต้นทุนเพื่อให้ได้มาสรุปคือได้นั่นเองคือทําเอาทําเพื่อได้ส่วนทําไม่ใช่อะไรทาเพื่อไม่เอาทำเพื่อทิ้ง ทิ้งของที่มันไม่ดีอยู่ในกาอยู่ในใ จ, อในใจเอาทํำและทิ้งไม่ใช่ทําเอานั้นโลกกับธรรมมันสวนกันอย่างนี้นี่เรามาดูว่ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเราคิดแบบโลกเราคิดแบบธรรมแต่คิดแบบโลกก็อยู่แบบนี้อยู่กับความโลกของมโกรธความหลงหลบหายตัวสัมมหาเนี่ยเองอยู่แบบโลกเราคิดแบบธรรมมันต้องคิดถึงความสภาวะความเป็นจริงได้อะไรได้มากระทบ ก็ให้เคยรู้แล้ก็ให้พิจารณาเพื่อให้สิ่งเหล่า น, นั้นมันดับแต่ถ้าเกิดแล้วไม่ดับนี่มันลําบากเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือตัวเรา่เองเพราะฉะนั้นตัวเราจึงเป็นตําราที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีตําราใดที่ใหญ่ไปมากกว่า น, นี้ไม่มีห้องสมุดไหนใหญ่ไปกว่าเราถามว่าถ้าตัวเรารู้ร่างกายแต่และคนผู้หญิงผู้ชาย จุดต่างดำขาวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นตําราเล่มหนึ่งมันจะพูดถึงเรื่องอะไรมันก็มีหัวข้อและหกอย่างนั้นเองก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคําถามก็คือเราได้เริ่มศึกษาหรื อ, อยังหนังสือเรื่อยเริ่มอ่านหรื อ, อยังอ่านตาตัวเองไหมอ่านหูตัวเองไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยอ่านไหมแต่ว่าบทสรุปกับบทสุดท้ายคือใจนั่นคือตัวสรุปของหนังสือเล่มนี้นั้นสาระสําคัญคือใจส่วนตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นประเด็นรองแต่พอเพอิญมาเราใช้ประเด็นรองเป็นประเด็นใหญ่ในชีวิตประจําวันเป็นกลายเป็นว่าเรามีตาก็ไม่รู้จักตาตาเรามีหูก็ไม่รู้จักหูมีปากก็ไม่รู้จักปาก มีรินก็ไม่รู้จักลินมันมีกายก็ไม่รู้จักกายของตัวเองสรุปก็คือรู้จักเห็นหูตาจมูกลิ้นกายของคนอื่นเห็นหมดรู้หมดแต่ตัวเองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่อ่านเพราะเราไม่ศึกษาเราศึกษาแต่ละตัวไล่ไปดูว่าตามันเป็นประโยชน์นเป็นโทษอย่างไรตาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นทำมันเห็นรูปคือตาเห็นรูปคือตาประทบกับรูปมันเกิดอะไรมันก็เกิดความรู้เร็ววิญญาณเกิดความรู้ขึ้นมาธาตุใจคือหัวหน้าเมันชอบมันบอกว่าดีนะใจไม่ชอบมอกไม่ดีตานงูเหมือนกันที่มันรับมาเป็นเรดาร์ปิจารดาวเทียนทียมรับมารับของดีมารับของไม่ดีมา มันน็อตทั้งสองอย่างมันไม่เคยกันขลังเนีย่ยหูกลางอย่างเนี้ยเป็นเลยได้ผ่านมาเพราะอ่านะหูดีเป็นยังไงหูไม่ดีเป็นยังไงตาเนี่ยถ้ามันไม่ดีเราจะให้หมอ ร, รักษาแต่ถ้าตาม้องและเห็น ด, แดีแล้วไม่ดีแล้วให้ใครจะรักษาหเราไม่มีหูเหมืออกันหูเป็นน้ำหนวกหูเป็นอย่างอื่นหูแค่งหูให้เป็นหมอราาักษาให้แค่วอว แต่แท้ขงเราไม่ดีรับไม่ดีฟังไม่ดียินมาไม่ดีแล้วไปแปลความหมายได้ไม่ดีไม่มีใครรักษาให้เรานะยไม่มีเลยไม่มหมอคนไหนเลยดังนั้นพวกเราควรอ่านอย่างนี้ทุกวันอ่านให้เข้าใจอ่านของตายจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของตัวเองให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วตํำราอื่นไม่ต้องไปเรียนตำราอื่นไม่ต้องไปอ่านพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ต้องเรียน จากนี้ไปไม่มีอีกแล้วกิจอื่นที่ต้องทําไม่มีแล้วถ้าเราเข้าใจไม่มีกิจอื่นไม่มีงานอื่นต้องทําเหมือนเราทํางานทํางานอันนี้จบก็ถือจบแหละแต่มันไม่จบนะงานข้างนอกเดี๋ยวก็มีงานใหม่เข้ามามันไม่จบไม่สิน้นแต่ว่างานของใจถ้ามันจบแล้วมันหมดแล้วมันสิ้นแล้วไม่มีอะไรทีทําอื่นงานอื่นที่ทําไม่มีเลยเพราะมันจบแล้วมันสิ้นแล้วนะ นั้นใจจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถามวันทุกวันเราดูอะไรเราก็ดูใจตัวเองไหมนี่ไม่เคดูแต่ภายนอกแม้แต่ตนเองก็ดีผู้อื่นก็ดีก็ดูแค่ข้างนอกเสร็จแล้วก็สรุปเอาเองนั่คือตัดสินใจเอาเองว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคำพูดอย่างนั้นดีคำพูดนี้นไม่ดีเราดูสรุปเองถามว่า เราเป็นคนมาตรฐานขนาดนั้นเลยเลยที่จะมาอิจรองรับได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีไม่มีสรุปก็คือคข้าข้างกิเลสกิเลสมันบอกว่าดีเราก็บอกว่าดีมันไม่มีอะไรมาตรฐานนอกจากธรรมะเรียกว่าสังขารธรรมเท่านั้นที่มาตรฐานเพราะสังขารธรรมเป็นของวางวองไม่เอาที่บอกว่าสังขารโลกนั้นยิ่งเอายิ่งเพิ่มยิ่งหนักยิ่งเป็นภาระ ยิ่เพิ่มเท่าไหร่ก็หนักมากเท่านั้นมันเป็นภาระพาระนนาอาวุเป็นจักคันธาคันห้าเป็นภาระอันหนักยิ่งยิ่งเลยส่วนสังขารธรรมที่เราไม่อยู่เราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยดูสังขารทั้งสองคือสังขารโลกกับสังขารธรรมนี่ทำไมมันเกิดสังขารคือการปรุงการแต่ง ถ้ามีสังขารคือเราตัวคนเดียวมันมีอะไรจะมาปรุงมาแต่งถ้ามันไม่เห็นอะไรสักอย่างในโลกนี้เกิดมาคนเดียวเม่รูจะเอะไรมาปรุงไม่รู้จะอะไรจะบอกว่านั้นดีนั้นไม่ดีนั้นพูดดีไม่มีเลยเพราะว่ามีของเปรียบเทียบเราจึงรู้เราจึงเห็นเข้าใจอ๋อที่เป็นเหงาเพราะอย่างนี้จึงเกิดสังขารขึ้นมาการปรุงกันแต่งขึ้นมาเมื่อใดก็ตามถ้าจิตเราไม่ปรุงไม่แต่งคําว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันแปลว่าไม่ปรุงอะไรเลย มันปรุงแต่ว่ามันรู้จักก็คือมันรู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วให้มันจบอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเร็วดับเร็วก็เร็วดับเร็วจึงเรียกว่ามันไม่มีสังขารจริงๆมันก็มีอยู่นั่นแหะสังขารอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุไวสังขารคือปราศจากสังคารคือไม่มีการคือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คือเกิดขึ้นกับจิตและจิตมันไม่ปรุงมันไม่แต่งคือมันไม่ต่อเช่นความโกรธเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่อ ไมต่อจนจบจนหายยันนะสุดยันแล้วมันเกิดอะไรเกิดความยันนะไอ้มันฆ่ากันจนตายเอากันถึงตายเพราะเริ่มต้นจากความโกรธความไม่พอใจสุดท้ายปรุงคือสังขารนี่แหละแต่งจนจบสุดท้ายจึงคิดว่ายังไงมึงต้องตายถ้าไม่ตายไม่สบายใจอยู่ไม่ได้ต้องตายกันได้ข่าเห็นไหมมันสรุปว่าต้องตายมันยืนตรงเรื่องตายค่ากันทุกวันที่เราเห็นเห็นทุกวันเห็นไหมมันน่าอนาถเมืองเราเป็นเมืองพุทธ พังนั้นถ้าเรานันมามองมันศึกษาตัวเองปฏิบัติสักนิดหนึ่งดูกายสังขารของตนเองกายสังขารของคนอื่นว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เปรียบเทียบเขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราจึงมีประโยชน์มากที่สุดนั้นการปฏิบัติธรรมของเราการเข้าวัดเข้าวาของเราไม่สูญเปลา่าแน่นอน ไมเข้าสักแปลว่าเข้าเข้าหลักแล้วกันไปมีประโยชน์อย่างน้อยได้คติได้ก่อคิดอย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังแนละ้วเกิดปัญญาดีฟังเสร็จแล้วเอาไปคิดต่อมันเกิดปัญญาเพราะฉนั้นปัญญาที่ดีที่สุดคือปัญญาเจรจากกันภาวนาภาวนามันแย่ปัญญาเป็นปัญญาที่สุดยอดเราจะเห็นว่าของดีของดีที่สุดเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนสักบาท แต่วัดได้บุญมาาาหาศาลหลายเท่าพันทวีแต่เราก็เป็นเน้นเรื่องการทําบุญจะมากกว่าไปวัดนั้นวันนี้ไปน้องคนนั้นคนนี้หลาสาระพันวิธีจนลืมมาทําบุญจริงในทางพุทธศาสนานำมันแทบไม่ต้องลงตัวอะไรเลยโดยเฉพาะที่คือต้นทนที่มีอยู่คือตัวเรารอยรูปร่างกายสังขารของเราเนี่ยเรามีเห็นทุกวันสข ก, ก็มีเห็นทุกวันทุ ก, ก็มีเห็นทุกวันแต่ปัญหาคือเราไม่ดูเราไม่ดูตัวเอง เราไปดูคนอื่นมันเป็นอย่างนี้เราไปดูคนอื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาศพคนอื่นทุกคนอื่นเราก็ไม่ได้อะไรคนอื่นตายเราก็ไม่ใช่ไปตายไปด้วยแต่ถ้าโอกระดัยโกะน้องก็มาเราก็หายใจของเราเองเราก็ไม่ต่างคนอื่นเขาร่างกายสังขารมันก็ลดน้อยถอยลงไปชรลารือความคําคลาความแก่มันก็ลดน้อยตอนนี้ชราทุกวัน ก็คือจนที่เราสวดชราธรรมบองมีชรังนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาคือแก่ทุกวันไม่มีใครที่ไม่แก่เด็กมันก็เริ่มแก่แก่ตั้งแต่เด็กคือชราแล้วหละแต่เราบองว่าเด็กมันไม่แก่จริงๆมันแก่แก่ตั้งแต่เกิดมามันก็ต้มีการแก่ล่ะแก่จนชราจนจนค่ำค้าจนพยุงสังขารอันนี้ไม่ไหวแล้วแต่นี้มันจะไปไหนหมดหมดสภาพ หมดสภาพจะไปไหนก็ไปหาที่อยู่ใหม่บ้านในมันพังมันอยู่ไม่ได้ก็ไปสร้างใหม่ไปอยู่ใหม่แล้วไปไหนเมื่อเราไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจว่าจิตใจที่แท้จริงเรามันเป็นยังไงสภาวะมันจริงคืออะไรนี่สภาวะของใจคือบทสรุปของหนังสือเล่ม น, นี้ของตำราเล่ม น, นี้สภาวะของใจจริงมันไม่เกิดไม่เกิดไม่จะไม่ตายมันไม่ตายไม่มีเพศอยู่เพศหญิงเป็นหญิงชายเป็นผู้ชายอยู่กับสัตว์มันก็เป็นสัตว์ ไอดวงจิตดวงนี้มันสําคัญนะทีนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนดูด้วย ก, กันฝึกถ้าเราฝึกหมายความจิตใจของเราคิดแต่ของไม่ดีคิดแต่ของอยาคิดแต่ของต่ำตำจิตมันจะไปอยู่กับใครมันก็พวกสองท่าสี่เท้าตั้งหลายซึ่งมันไม่มีสติปัญญาอะไรอันนี้ไม่ได้ดูดูกกันมันเป็นสภาวะความเป็นจริงเนี่ยจิตมันก็จะปรับระดับเรียกว่ากรรมคือการกระทําของตองัวเรามันจะจัดระดับของมันเอง ท่านที่บอกำกำบางสติวัชิติกรรมเป็นตัวจำแนกแยกและจัดลำดับขั้นตอนว่าคนไหนจิตระดับไหนจะไปอยู่อย่างไงจิตสูงก็ไปที่สูงจิตต่ำมันก็ไปที่ต่ำนะก็คือจิตมันหนักมันก็ลงต่งําจิตมันเบาก็ไปที่สูงเป็นเรื่องปกติของกฎธรรมชาติขอกฎน้อมถวงเป็นเรื่องธรรมดาเนีเพราะฉะนั้นเราทําจิตของเราให้มันหนักหรือว่าเบา ถ้าถ้าเมื่อใดก็ตามจิตมันหนักในทุกเรื่องหนักเรื่องตัวเองหนักเรื่องคนอื่นหนักเรื่องครอบครัวลูกเต้าหนักที่การงานมันหนักอะนนี้ว่าจิตหนักมันจะไปไหนทีนี้นี่มันหนักเพราะอะไรเพราะเราเอาเข้าแล้วมันไม่เอาออกมันแบกเสบ่าแล้วมันไม่วางเพราะมันเป็นมันไม่เข้าใจเหมือนร่างกายของเราคนที่เราไม่เข้าใจเราไปเก็บสิ่งนี้เอาไว้เราไม่จัดออก ไม่เอามันออกคือไม่วางพูดง่ายๆคือความรู้สึกนี้ของเรานะี่ยสร้างขึ้นมาได้ระวังไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ทําลายไม่ได้แต่มีปัญญาสร้างเป็นเรื่องแปลงนะความคิดของเราเดิบเรื่องแปลกสมมติเราบ้านหลังนึ่งเรามีปัญญาสร้างเราก็ทํำลายมันได้บ้านเดียโตขนาดไหนก็แนตะ่เราทํำลายมันได้เรารื้อมันได้แต่ความคิดของเราเนะี่ยสร้างขึ้นมาแล้วแก้ไม่ได้รื้อไม่ได้ปรับไม่ได้มันแปลกไหม แต่คิดอย่างนี้ลําบากแล้วปรับไม่ได้แล้วลําบากจิตมันต้องปรับได้ปรับได้สุกสภาวะเพราะจิตเปนของกลางแต่เพระเอิรว่าเรายังไม่เท่าถึงความกลางของจิตของใจจริงๆได้ดีไม่ดีชั่วดีของทุงอย่างมันมันอยู่ในใจมันไม่เกี่ยวอะไรกับจิตพึงบอกว่าจิตเดิมมันผ่องใสงอาจารย์ก็บกว่าปรัสระกรรมวณมีเดน่นสร้างออกจากรัศนีคือจิตจิตเดิมจริงๆ เป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมาสารพัดเกิดจากความจําที่เรามีอยู่จําดีจําไม่ดีสารพัด ท, ที่เราจำํำมันก็เริ่ม ห, อห่อขึ้นก็มาก็ความจิตใจก็เริ่มหนาเริ่มบา้าเริ่มมองอะไรไม่เห็นนะจัดที่ไม่เคยรู้อะไรเลยพ่อใครพ่อใครก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้สีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้ก็เริ่ ม, มารู้เริ่มมันจําเรียกว่าสัญญาสุดท้ายสัญญาเนี่ย การแต่นี่เป็นของดีกับกลายเป็นของไม่ดีมาทําลายตัวเราถ้าจําดีจําไม่ดีมันก็มาทําลายตัวเราถ้าเราวางมันไม่ได้ดั้นจําดีก็ตามจําไม่ดีก็ตามสันญาณถ้าเราไม่เข้าถึงกลางความเป็นจิตจิตจริงๆมันวางไม่ได้ลำบากนะสุดท้ายวางลูกไม่ได้วางเมียวางที่อานันสุดท้ายวางความคิดเองวางตัวตนลําบากไม่แต่ร่างกายวางไม่ได้ไม่อยากตายหลายคน ทวลาสุดท้ายแล้วมันณมนพระไปเทศพระคำนุชจะเท ศ, เทศยังไงก็พูดไม่ออกบอกให้พูดโทนะพูดโทยังไงให้นึกถึงพระุทธเจา้านึกยังไงหูจจาเป็นยังไงให้ไึกถึงหน้าตาใั้นึกถึงอะไรนึกไม่ออกโดยเฉพาะยิ่ ง, งถ้าเวทนากล้าแข่งแล้วไม่มีทางลําบากถ้าเวทนาบืกขั้นหนักๆนึกเราจะไม่ออกเลยจิตมันก็อยู่กับเวทนาอย่างเดียวเหมือนเราเวลานั่ง แล้วนั่งนานๆปวดแข้งปวดขามันไม่ได้นึกอะไรเลยนะสิ่งอื่นที่ไม่มีอยู่ในตัวเราตัวตนของดีๆที่มีอยู่ในโลกนะั้มันนึกไม่ออกเลยมันดึกได้แต่เวทนาคือปวดแข้งปวดขาเ อ, อ๊ะนำไนปวดขาจังเลยนั่งนานๆว่านั่งสมาธินา น, น, า น, น, น, านจิตมันไม่อยู่ที่เวทนาไม่ไปไหนมาไหนแล้วเห็นไหมเนีเวทนาเวลาบีบคั้นหนักๆเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยจิตจะสาคัญถ้าจิตเร อ, อ, เอ่อนเอจิตไม่มีกาลังเนะี่ยหมดเลย หมดทุกอย่างมันไม่สู้ละถ้าจิตเรามีกำลังคือมันแยกออกว่าจิตก็คือจิตกายก็คือกายมันคนเลเรื่อง ก, กันจิตมันอาศัยกายอยู่ถ้าจิตออกจากกายกายมันก็อยู่ไม่ได้มันก็พังเหมือนกันแต่เพราเอิว่าเราไม่เคยแยกจิตแยกกายไม่เคยรู้ว่าจิตสังขารกับกายสังขารเป็นยังไงความสมองของกายเป็นยังไงควาของจิตเป็นยังไง สาระสําสคัญของกายคืออะไรสราระสำคัญของจิตคืออะไรมันแ ย, ยมมกมันออกมาแยกมันออกมาผสมคนเปกันอยู่อย่างนี้เหมือนข้าวลอาหารที่เรากินเข้าไปบริโภคเข้าไปเราไม่เคยแยมมกออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรพอมาลงในจานอะไรถ้วยปุ๊บซอสขวายปุรู้อ ย, อย่างเดียวว่าอร่อยมหารู้มากความอร่อยนะมันมาจากไหนมาจากเปรี้ยวหวานมันเค็มสิงสาลาสัตว์ ที่มารวมมาอยู่ในตู้ในแกงในจานแต่เรลือกไม่ออกลนลอกออกได้ว่าอร่อยแค่นั้นจบเลยแต่ก่อนนนั้นก่อนจ ะ, จะอร่อยมันเป็นยังไงมันต้องใช้เวลาปรุงใช้เวลาแต่งรวบรวมกันเท่าไหร่เพื่จะเกิดความอร่อยจิตของเราเนี่ยเหมือนกันมันมีการลงตัว เ, เราก็เคยรู้เคยมองในะภาพที่มันพับแยกเรามองในภาพรวมมาตลอด เพราะนั้นการภาวนาจึงทำให้จิตของเราละเอียดมากขึ้นหมายคือว่าความคิดในการตัดสินใจในบางเรื่องบางอย่างในชีวิตของเรามันจะละเอียดมากขึ้นมันจะรู้รู้จักคิดเร็ว่ารู้จักคิดความคิดก็พูดการทาําทำมันสำคัญนะเพราะสามอย่างนั้นเรียกว่ากรรมถ้าไม่มีสามอย่างกรรมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นคนที่มีกรรมเยอะๆบอกต้องจะไปคิดจะไปแก่อย่างอื่น จะไปแก้จะเอาพภหมากละไม้ไปไหว้พระไปถวายพระไปอื่นมันไม่เกี่ยวกันเลยถ้าจะแก้คือแก้ความคิดของตัวเองนี่แหละคือกรรมแก้คําพูดของตัวเองแหละคือกรรมแก้การกระทําของตัวเองะนี่คือกรรมเราแก่อย่างนี้ทุกวันมันเกิดจากอะไรเกิดจากคามคิดแก่แต่ความคิดเกิดจากคาพูดแก่ด้วยคำพูดเกิดจากการกระทำก็แก้ด้กันกระทํานะแต่ถ้าเกิดภาวนาไปปุ๊บนี้ทุกอย่างมันจบเลยมาลงที่ใจอย่างเดียวนะ มันตัดปัญหาหมดเลยตั้งกายตัดคือไม่มีกรรมอะไรแล้วทางวาจามันก็ตัดออกเนี้อนี่คือประโยชน์ของกันภาวนาประโยชน์ของกันนั่งสมาธิใครจะบอกว่านั่งแล้วไม่ได้อะไรเลยเป็นการเข้าใจผิดอย่างน้อยกายเราไม่ผีเบียนละปานติปาาตาก็ไม่ต้องไปขอกับพระอธินนาทานก็ไม่ต้องไปขอพระการมีส่วิชาสายจานมุสาวาทาสุราเมีมันเป็นศีนห้าทันทีงั้นอาน่านในส่งของมัน อันนี้ไม่ต้องขอเลยสินที่ไม่ต้องไปขอเลยเหมือนประมาณนี้อาจจะมาทีหลังแต่ไม่ได้ขอสินตอนนี้มันเป็นสินทันทีสินในทางปฏิบัติไม่ต้องขอตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านนั่งเมื่อไหร่ก็เป็นสินมันนั่งมากก็เป็นสินมากนั่งน้อยก็เป็นสินน้อยมันเป็นสินทันทีไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเราเป็นคนไม่มีสินไม่ต้องกังวลเออวันนี้เราไม่ได้รับสินไม่ต้องคิดมันเป็นสินทันทีนะไม่เป็นสินอย่างนี้ลอะมันต้องไปแก้กรรมอะไรมาก กรรมที่มีอยู่เป็นเราไปแก่กายกรรมแก้ได้แล้ววจีกรรมคือวาจาแก้ได้แล้วเหลือแต่มนาโวกรรมคือใจเวลาภาวนาดูใจอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นมันคิดอะไรให้รู้อะไรมันดำรงอยู่ให้พิจรารณาทุกอย่างก็จะดับก็สลายกันเอถ้าเราภาวนาเป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นรับรู้ตั้งอยู่พิจรารณาทุกอย่างมันก็จะดับแต่พอเอิดวัตทุวันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเรารับรู้แต่ว่ารับรู้เพื่อ เธอต่อยอดของไม่ดีให้มันอายแล้วก็มีการพิจารณาเมื่อการพิจารณามันก็ไม่ดับเมื่อไม่ดับมันก็เป็นปัญหาลุกลามเป็นปัญหานี่คือปัญหาของโลกโลกปัญหาโลกแตกซึ่งเกิดจากตัวเราเท่า น, นั้นการภาวนาจึงมีอาณาสงมากอันนี้แค่เล็กนิน้อยเป็นภาวนาึเปล่าอาณาสงข์การภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้ทำเองที่ไหนก็บ้านสมมติวันนี้เราไม่สบายใจ ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองหาดดูอาหารไหว้พระสมมตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธารมพระรยาสงฆ์คร่าวๆนะแปลว่าเรานึกถึงความดีดีนะนึกคนามดีดีเสร็จแล้วใจเราดีละเรียกว่าใจดีในขณะนั้นใจมันดีละพอใจดีเสร็จแล้วก็หมายว่าเราก็นึกถึงควาดีดีเราลงพิจารณาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหมายกับกรรมที่เรามันชื่เรียกวมันเป็นกรรม จะมันสบายใจทําไปแล้วเรืงง่งกายเรื่องวาจาเรื่องใจก็พิจารณาถ้าพิจารณาเลยได้ว่าเออมันไม่ดีนะทําไปแล้วมันบิดเบี้ยนทั้งตนเองและคนอื่นคือมันไม่เปประโยชน์อะตนเองก็ไม่ได้ประโยชน์นนชนคนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าไปทําบอกใจมันว่าเอออย่าไปทํานะคราวหน้าตอนหน้ายาไปทํำพอทํำไปแล้วมันก็จะเหมือนเดิมนี่แหละ วัานธรรมทำแล้วคิดม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันก็จะเดือดร้อนผลของมันคือเดือดร้อนคือทั้งเดือดและร้อนใครเดือดเราใครร้อนเราคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะเวลาโกรธนี่ใครใครเดือดร้อนเรามันจะเดือดที่เรามันก็จะร้อนที่เราเราคืออะไรเราคือใจนะใจมันเดือดใจมันร้อนคืออธิบายอย่างสมัยก่อไมมันถึงเดือดทําไมถึงร้อนก็โดนเผาเอง ใจมันดนเผามันก็เลยร้อนทอํายังไงที่ไม่ให้มันร้อนอกอน็อย่าไปเผาเผาน้อยฝืนที่มีอยู่สะพักทั้งหมดฟืนแล้วหมดเชื่ลอละวเดี๋ยวมันก็ดับเองมันก็เย็นเองนี่ยสภารรมเรก็ดูอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้วันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปพิจารณาไปพิจารณาในทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้เพื่อให้รู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิตทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนั้นสภาวธรรมก็จะเป็นอย่างนั้น นะแม้แต่เทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ปัญจวัคคีคนที่เข้าใจคนที่รู้เรื่องคนแรกก็คืออัญญากรรมยท่านก็เข้าใจอย่างนี้ท่านก็บอกว่ า, วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงจะมีความดับไปเป็นธรรมดานะแค่นี้เรียวัดวงตาเห็นธรรมคาว่าดวงตาเห็นธรรมหมายถึงได้โสดาบันและเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้ ม, ม, าา ม, มีการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายนาภูเขาสารพัดที่มีอยู่เกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งวงย่อมมีควาดับไปธรรมดาคือจะต้องดับจะต้องสลาย ไ, ไปธรรมดาจะช้าหรือเร็วอีกเรื่องหนึ่งนะจิต ท, ท่านเข้าใจในก็โอปนาโทนโ อ, นาอ่าค่ะตัวเราเหมือนกันชีวิตเรามีการเกิดขึ้นมีการต้องอยู่วันหนึ่งมันมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดปกติ นไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เรื่องประหลาดนะอันนั้นคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะนั่นใจของเราในขั้วเหมือนกันแต่้นก่งโอ้มันก็เรื่องปกติถามว่าที่เราทุกเราลำบากเราเดือดร้อนไปวันนี้มันมีเรื่องอะไรใหม่ไหมในชีวิตประจำวันอะไรที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหม่มีไหมไม่มีอันนี้เป็นนามธรรมาเราอาจจะนึกไม่ออกอาจจะค้างในใจว่า อาจจะมีแต่ถ้ามาเรามองเป็นรูปธรรมนิดนึงออาตัวอย่างมองรูปธรรมง่ายคืออาหารอาหารที่เรากินบริโภคเราฉันทุกวันนะ่ะมีอะไรที่มันใหม่ไหมมันใหม่เฉพาะทําใหม่เท่านั้นเองแต่ชื่อสูตรเดิมๆนี่ดูมีอะไรใหม่ไหมไม่มีก็อาหารก็ชื่อเดิมมแหละผัดกะเพรากะเพราเหมือนเดิมสลัดผัดมืออิดเป็นไก่กว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิม มันมีนอะไรใหม่มันไมีอะไรใหม่เลยฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นใหม่แต่พาใจว่ามันเป็นอมใหม่มันก็ไม่ใหม่เดี๋ยวมันก็เกา่ามันเข้าไปแล้วสาาักพักเดี๋ยวมันก็เกา่าออกไปออกไปเราไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้คือชีวิตปิจิมันเพราะนั้นมันมองอกนะโกงมองโดยที่ใจเราเหมือนกันทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ใ, นในใจของเรามีอะไรใหม่ไหมมีอะไรแปลกประหลาดไหมไม่มีก็เป็แต่เรืเ่องเดิมๆ แต่เพื่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันไม่เคยดับแล้วไม่เคยรู้วิธีดับมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ความโลภเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมความหลงเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมกีริยาการเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดไม่อะไรใหม่เลยโลดไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทำจริงรู้บอกว่ามันไม่ใช่ของใหม่ ธรรมะของพุทเจ้าจ er, ึงจงใช้ได้ตลอดการคือตลอดเวลาเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการถ้าใครนึกถึงเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อไหร่จิตน้อมถึงเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมะานั้นนี่บอกว่าอะกาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาทํำได้ทุกเวลาเพราะนั้นเราจิตไปอ้างว่าวันนั้นวันนี้วันโน้นวันพระวันนั้นค่อยคค่อยปฏิบัติค่อยคิดค่อยสวดค่อยปฏิบัติจะไปคิดอวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง วันพระห7เจ็ดวันแปดวันก็มีครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือย่หกวันเราไปทำอะไรถ้าจิตเราไม่ตั้งมัน่นจิตเรามันหวั่นไห ว, ไ, วไปตามสัญญาอารมณ์มันโดนกระทบกระทั่งตั้งห้าหกวันวันที่เจ็ดค่อยมาฝึกใหม่หนึ่งต่อเจ็ดเลยนะสู้ไหว แต่ก็ยังดีดีกว่าแดวันเจวันแปดวันไม่เน็กอะไรเลยไม่เคยฝึก ไ, ไม่เคยตั้งเลยมันยิ่งหนักก็ไปอีกหนักก็พวกเราอีกเพราะฉะนั้นพวกเราตัณวจนโชคดีมากมากอย่างน้อยที่สุดก็หวันเจวันครั้งหนึ่งหรือกลับไปบ้านก็ไหวพระจวดมนก็ตั้งทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งมันก็ค่อยเพิ่มความมั่นคงของจิตใจของอารมณ์มันก็เพิ่มมั่นคง มากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราวันไส้ไปตามสัญญาอารมณ์ได้ถ้าเราเข้าใจจิตใจของตนของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้ศึกษาตัวเราเองที่เป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราไปขาวมโตาจโจริกายแจของตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นนะคนอื่นมีเหมือนเราหมดตาซ้ายตาขวานี่เหมือนกันหมดต้องไปดูเขาดูคนอื่นไม่ได้ไประโยชน์ดูตัวเรา ดูตัวเรารไม่ได้ประโยชน์มันไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ดูคนอื่ น, นมันมีโทษมากกว่าคุณอัะนนะั้นคือธรรมะเป็สารธรรมที่พวกเราต้องลายสําหรับวันพระวันนี้วันนี้สังขารไม่ดีแต่ว่าก็ยังว่า น, ะนาที่ก็ต้องทำหน้าที่มันให้มันดีที่สุดตามคนตางทําหน้าที่อันนี้หน้าที่เป็นมาพูดพวกเราเป็นผู้ฟังหน้าที่สองอย่างมันต้องสัมพันธ์กันถ้าพูดคนเดียวไม่มีผูฟังมันก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเราจะฟังได้เป็นคนพูดก็ไม่มีไรู้จะเอาอะไรมาฟังเนั้นวันนี้ก็ขอสารสารธรรมที่พวกเราทุกง่าหลายได้ปฏิบัติจิตติปัญมาอย่างนี้จะไปท้อะจะไปช้อยอ ย, อย่าไปคิดว่าเออทําอะไรทําไป a ล c e ไม่ได้อะไรเลยอย่าไปคิดทําได้ทําแล้วได้แน่นอนอ่ะได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ทําแล้วไม่ได้เลยไม่มีกรรมคือการกระทําของเราทุกอย่างมีผล แต่ผลมากผลน้อยผลดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทาของเราเพราะนั้นกรรมจึงแก้ได้ถ้าเราปล่อยปละละเลยโดยที่ไม่แก้เลยคือไม่แก้คำพูดการกระทำความคิดของตัวเองก็จะไปโทษใครไม่ได้ จะไปโทษสิงสารอสุพเทวดาฟ้าเดนอื่นไม่ได้เลยเพาะเราไม่แก้ไขกรรมการการรมของตัวเองใครคนอื่นก็แก้เราไม่ได้อั้นการปฏิบัติธรรมคือการแก้กรรมอย่างแท้จริงก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายสาหรับบนพระวันนี้วันนี้ฝากไว้เพียงพอนี้ก่อน